สมควรแก่ทำเบื้องกลางเราก็ได้ทำเบื้องกลางสมควรแก่ทำเบื้องปลาย um. เราก็ได้ทำเบื้องปลายฝึกทำเบื้องต้นฝึกให้มีสติคนไม่เคยมีสติฝึกให้เกิดสติที่แท้จริงทาเบื้องกลางก็ฝึกจนจิตมันตั้งมัน่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาทาเบื้องปลายฝึกให้มันมีปัญญาขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นจริงๆแล้วการปฏิบัตินี่มันใช้เครื่องมือสองตัว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 เงืนวิธีฝึกให้เกิดสตินะก็คือคอยตามรู้สภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยๆการตามรู้กายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามรู้เวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามรู้จิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรวมแล้วก็คือรูปธรรมกับ น, นามธรรมให้เราตามรู้ตามดูรูปธรรม น, นามธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เนี้ตามดูไปเรื่อยๆตามดูไม่ได้แปลว่าเพ่ง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 สำนักที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยไปดูมาแล้วทั้งนั้นเลยแทบทั้งนั้นไม่ทั้งนั้ น, นบางแห่งไม่ได้ไปเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนเหน็นหลวงพ่อเทียนขยับมือหลวงพ่อเทียนขยับมือหลวงพ่อเทียนตื่นพวกโยมที่ไปหัดกับท่านนะขยับมือนี่มีหลายพวกพวกหนึ่งคิดใหญ่ให้ท่านนี้แล้วต่อไปท่าไห น, นอ๋อท่านนี้นี่พวกหลงไปในโลกของความคิดีพวกหนึ่งเพง่งเพง่งเพง่งจิตเข้าไปเกาะ อ, อยู่ในมือเนี่ยจิตเข้าไปเกาะ อ, อยู่เนี่ยไม่คลาดเคลื่อนเลยเพง่ง